ให้พูดเรื่องของจุดกำเนิดพุทธศาสนาครับกความสัมพันธ์ระหว่างธรรมะกับธรรมชาตินะครับคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเนี่ยมันก็คือกฎธรรมชาตินั่นเองนะกฎธรรมชาติในที่นี้เนี่ยมาไปถึงว่ากฎที่มีอยู่แล้วเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเช่นความไม่เที่ยงนะความเป็นทุกข์ ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือว่าอันนี้จังทุกข์อนัตตาเนี่ยมันคือกฎธรรมชาตินะหรือว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยอันนี้มันก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติรวมทั้งเมื่อใจเราเนี่ยนะปล่อยวางก็จะเกิดความสึกสงบเบาสบายนี่คือกฎธรรมชาติแต่ถ้าใจไปยึดไปแบกเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์นะเครียด นี่ก็เป็นกฎธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าธรรมชาติในที่นี้เนี่ยมันมีความหมายครอบคลุมทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมาแต่ล้นแล้วเนี่ยแต่ตกอยู่ภายใต้กฎบางอย่างนะซึ่งมันเป็นอย่างนั้นเองนะเป็นธรรมดาธรรมะบางที่ก็แปลว่าธรรมดาก็ได้ธรรมชาติก็ได้นะไม่มีใครมีพลกกับกฎธรรมชาตินี้ได้พระเจ้าสมงพบพก เป็นความหมายหนึ่งเนี่ยนะของธรรมะคือกฎธรรมชาติซึ่งกว้างมากครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างนะคราวนี้เนี่ยธรรมะ ย, ยังยังยังสามารถจะประจักษ์แจ้งกับเราได้หากว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เกือกูกลนเช่นอยู่ทำการธรรมชาติธรรมชาติในที่เนี่ยเราหมายถึงป่า มาถึงที่สงบสงัดนะอาจจะมายถึงภูเขาแม่น้ํลาลําธารซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดความสงบสงัดความสงบสงัดเนี่ยบางทีเราก็เรียกว่าความรื่นรมแต่ไม่ใชร่รื่นรมเพื่อเพื่อสนุกสนานแต่รื่นรมเพื่อกล่อมจิตกล่อมใจให้สงบนะธรรมชาติแบบนี้เนี่ยบางทีเราก็เรียกอารมณ์มณีสถานซึ่งสามารถจะเอื้อ ให้จิตใจเนี่ยเห็นธรรมะเห็นกฎธรรมชาติชนิดที่ทําให้เข้าใจว่าทุกเกิดจากอะไรและจะดับทุกได้อย่างไรนะไอความจริงเกี่ยวกับทุกความจริงเกี่ยวกับการดับทุกก็คือกฎธรรมชาติอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติพระเจ้าเนี่ยทรงค้นพบความจริงข้อเนี้ขณะที่พระองค์ทรงบําเพ็ญอยู่ในสถานที่ที่เป็น รมันีพวกเราใช้พกก็ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าพระเจ้าตัสสรุนเนี่ยนะใต้ต้นไม้ใต้ต้นโพลนะดิมแม่น้ำนะเป็นความตั้งใจพูะเจ้าเนี่ยที่จะบำเพ็ญเพียรทางจิตเนี่ยตรงจุดนั้นที่เราเรียกว่าตำบลอุลุเวลาเสนานิคมเพราะพระองค์เนี่ยเห็นว่าที่ตรงนี้เนี่ย มันเป็นโรมณีสงบร่มรื่นนะไม่ใช่เป็นความบังเอิญ น, นะที่พระองค์เนี่ยเลือกจุดนั้นหรือว่าประทับบำเพ็ญเพียรทางจิตตรงจุดนั้นแต่พระองค์เห็นว่ามันเป็นที่ที่ร่มรื่นนะท่านใช้คโรมณีนะแล้วก็ได้ผลอย่างที่พระองค์คาดหวังก็คือว่าเมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตพระองค์ก็ตัดสรนุธรรม ในคืนนั้นเองเนะก็ชื่อเห็นว่าการตัดสรุป ธ, ธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนอกจากเกิดจากการบรําเพ็ญบา ร, รมีนับไม่ถ้วนนอกจากเกิดจากการที่พระองค์ทรงทำความเพียรในคืนนั้นโดยตั้งอยู่ในทางสายกลางแล้วเนี่ยส่วนประกอบอันหน่งที่สําคัญก็คือธรรมชาติและเพราะเหตุ น, นี้พระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อพระองค์ทรงคุพระธรรมเนี่ยนะ เมื่อทรงตั้งคณะสง์พระองค์ก็แนะนําให้ภาษาวกเนี่ยได้ไปบปําเพ็ญเพียรในธรรมชาติในใต้คนไม้นะในถ้ำเพราะอะไรนะเพราะว่าธรรมชาติที่สงบสงบเป็นสปปรปพยะคือเป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อการที่จิตเนี่ยจะเกิดปัญญาเห็นธรรมนะเห็นธรรมในที่นี้เนี่ยก็คือเห็นกฎธรรมชาติ ชนิดที่ทำให้เข้าใจว่าทุกเกิดจากอะไรนะความดับทุกเป็นไปได้อย่างไรและไม่ใช่แค่รู้เฉยนะแต่ว่าเมื่อรู้แล้วเนี่ยนะก็สามารถที่จะยกจิตนะให้เป็นอิสระจากความทุกข์เพราะในเมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจะแบบไปทำไม ไม่สามารถจะยึดมั่นถือมันได้เมื่อเห็นเช่นนี้เนี่ยจิตก็ปล่อยวางนะจิตก็หลุดพ้นเข้าถึงความสงบเย็นที่เรียกวันนิพพานเะฉนั้นจะเห็นได้ว่าการตัดสูตรพระเจ้าเนี่ยสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างที่เราทราบประวัติของพระเจ้าเนี่ยนะตั้งแต่เกิดจนปรินิพพานเนี่ยก็รู้แล้วแต่สัมพันธ์กับธรรมชาติในเหตุการณ์ที่สำคัญสัญทั้งสิ้นพระองค์ก็ ประสูตรใต้ต้นไม้นะตัดสรุปก็ใต้ต้นไม้แสดงปฐมเทศนาก็ในป่านะวัดรกที่พระองค์ทรงก่อตั้งก็เป็นป่าป่าไผยวัดที่เกิดขึ้นรองลงตามมาก็เป็นป่าเชตวันนะแล้วตลอดประชาชนชี้ในพระองค์แสดงธรรมก็ในป่าพ ร, พ, รพระอาหารหันต์จำนวนมากตัดสรุปธรรมก็ ท่องกลางป่าบางท่านเนี่ยตัดสรุธรรมขณะที่เห็นพิจารณาธรรมชาติเช่นดอกบัวที่มันตูมมันบานแล้วมันก็ร่วงโรยแสดงถึงอนิจจังแสดงถึงความไม่เที่ยงบางทีก็เห็นความเสื่อมของสังขารของร่างกายซึ่งก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติและท่านก็บรรลุธรรมบางทีเห็นความเจ็บป่วยของตัวเองนะทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น จ็ป่วยแล้วเกิดทุกขเวทนาแรงกล้าท่านก็เห็นแล้วโอ้สังขารนี่มันไม่เที่ยงเป็นทุกมันไม่มีสุขเลยหรือว่ามีสุขเพียงเล็กน้อยแต่ทุกเลื่นๆหรือว่าทุกเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จะยึดไปทําไมเหมือนกับเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เราถือเนี่ยมันไม่ใช่ทองแต่มันเป็นฐานฐานก้อนแดงๆมันก็ปล่อยท่นเองนะก็บรรลุธรรมอันนี้ก็คือการเห็นความจริงของธรรมชาติเห็นกฎธรรมชาติ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องธรรมชาติเนี่ยมันมีความสำคัญนะต่อการเข้าถึงธรรมต่อการประกาศธรรมนะต่อสิ่งที่เราเรียกว่าพุทธศาสนานั่นคือธรรมวินยัยนะเพราะเนี่ยจึงกล่าวได้ว่าเนี่ยธรรมกับธรรมชาติเนี่ยมั น, มนยยแยกจากการไม่ออกนะในมู่มองพุทธศาสนาไม่ว่าธรรมชาติที่เป็นนามธรร ม, าามคือกฎธรรมชาติหรือธรรมชาติที่มันเป็น ต้นไม้ภูเขารำเนาหรือว่าลำห้วยลำทานทั้งหมดนี้เนี่ยมีความหมายเชื่อมโยงกับธรรมะนะหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยหลวงพ่อคอนตามานเนี่ยท่านบอกเลยนะว่าธรรมะเนี่ยนะมันคือตัวธรรมชาติเองมันไม่ได้แยกการหาออกจากธรรมชาติเลยคนเราเนี่ยอาจบรรลุธรรมได้ด้วยการสังเกตธรรมชาติ ธรรมชาติในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ธรรมชาติภายนอกเท่านั้นส่วนธรรมชาติภายในด้วยนะไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจนะอารมณ์ต่างๆ ท, ท, ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นไปมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะความโกรธความเศร้าความวิตกความทุกข์และถ้าเราพิจารณามันอย่างชัดเจนนะอย่างทุลุก ป, ป, ปรง่งแล้วก็พบว่ามันเกิดเพราะความยึดมั่น นะมันเกิดเพราะความหลงทำให้เกิดอุปาทานมันเกิดขึ้นเพราะวิชาทำให้เกิดความยึดมั่นถืมมัน่นอันนี้ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่เป็นธรรมชาติคือกระบวนการที่ทำให้เกิดทุกข์นะแต่พอเห็นความจริงเนี่ยนะจิตสว่างนะมันก็ไม่ยึดปล่อยวางนะจิตก็ หลุดพ้นเป็นสุขทั้งหมดนี้เกิดจากก า, การพิจารณาธรรมชาติภายในใจของเราลงท่านธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับกายซึ่งประกอบไปด้วยดินน้าลมไฟก็ธรรมชาติเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจธรรมชาติจริงๆเนี่ยให้การที่จะเข้าถึงธรรมเนี่ยมันก็เป็นไปได้ ทีนี้ครับก็อย่างที่อาจารย์กล่ามาเมื่อกี้มันมีความสัมพันธ์กันมากใช่ไหมครับระหว่างธรรมชาติกับความเปลี่ยนรูปทีนี้เนี่ยในทุกวันนี้ธรรมชาติมันมีป mm ัญหาอย่างที่อาจารย์บอกว่าอย่างธรรมและแวดล้อมวิกฤตนะครับกับธรรมชาติภายในของผู้คนเกียสมดุนนะครับมีอาจารย์เคยพูดอย่างนี้มาแล้วครับธรรมชาติที่มันเป็นกฎธรรมชาติเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงนะมันยังไงก็อย่างนั้นก็คือว่ามันก็ยังไม่เที่ยง ทุกอย่างก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงไม่จรังเป็นทุกเป็นนัตตานะงทั้งปวงก็ยังตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติอันนี้นะแต่ว่าในเวลาเยวกรร ม, มันก็หมายความว่าไอ้ธรรมชาติที่เป็นภูเขาลำนาทานนะที่มันเคยร่มรื่นมันก็ตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คือว่าป่าก็ถูกทาลายนะธรรมชาติก็แปรปวน ลำน้ำก็ตื่นเขินสิ่งสาระสักก็มีน้อยลงนะดินฟ้าอากาศก็วิปรปิตแปรปวนไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันก็เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับมนุษย์นะสําหรับมนุษย์แล้วเนี่ยนะเราไม่อาจจะแยกขาดจากธรรมชาติได้เราต้องพึ่งพาธรรมชาติเมื่อธรรมชาติภายนอกเป็นอย่างนี้เราก็ต้องรับผิดชอบต้องพยายามที่จะช่วย ปรับช่วยฟื้นฟูให้มันดีขึ้นที่จริงเนี่ยนะถ้าคนเราเนี่ยเพียงแต่ดูแลธรรมชาติภายในให้ดีเนี่ยไอ้ธรรมชาติภายนอกเนี่ยมันไม่เสื่อมสุดมันไม่เกิดวิกฤตหรอกนะถ้าเราไม่มีความโลภนะถ้าเราเห็นคุณค่างธรรมชาติถ้าเราไม่คิดจะเบียดเบียนธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติก็ยังพรัง่งพร้อมอุดมสมบูรณ์แต่เป็นเพราะธรรมชาติภายในของเรามันเสียไป ความโรคเข้ามาครอบงำนะความหลงตัวลืมตัวว่ามนุษย์เราเนี่ยยิ่งใหญ่เหนือธรรมชาตินะไอความคิดแบบนี้เนี่ยมันนำไปสู่การเบียดเบียนธรรมชาตนะินำไปสู่การทาลายธรรมชาติเพื่อสนองกิเลส ท, ที่ไม่มีสิ้นสุดของมนุษย์นะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบแล้วก็ช่วยกันทำให้ธรรมชาติกลับมาดีขึ้น ในด้านหนึ่งก็ต้องไปพยายาม ป, ปลูกป่าให้มากขึ้นลดการทำลายธรรมชาตินะการเก็บเกี่ยวทรัพยากรจะต้องรู้จักประมาณทำให้มันมีความยั่งยืนมากขึ้นนะใช้ประโยชน์จธรรมชาติเหมือนกับผีเสื้อที่ดูดน้ำหวานจากดอกไม้รู้จักแต่ว่าเนี่ย ผีเสื้อเนี่ยมันต้องอาศัยต้องพึ่งพาน้ำหวานจากดอกไม้แต่มันไม่เคยทำให้ดอกไม้เนี่ยบอบช้ำเลยมนุษย์เราก็ไม่แต่วผีเสื้อนะคือต้องพึ่งพาธรรมชาติเราควรจะใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในลักษณะที่ทำให้ธรรมชาติเนี่ยยังอยู่ได้เหมือนดอกไม้ที่ไม่บอบช้าเพราะผีเสื้อมาดูดน้ำหวานอันนี้ก็เป็นธรรมะที่เรื่อยเรือยเยธ ร, รรมชาติ จากผีเสือ้อผีเสื้อเป็นครูของเราเป็นครูของมนุษย์ที่ควรเจริญรอยตามเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนเะนในส่วนพระเนี่ยนะเนื่องจากพระเนี่ยก็อยู่ทําการธรรมชาติจํานวนมากโดยเพราะพระที่อยู่ในป่าวัดป่าพระป่าเมื่อป่ามันเสื่อมสูญก็ต้องรักษา ต้องดูแลต้องป้องกันเป็นการตอบแทนคุณธรรมชาติแล้วก็ถือว่าเพื่อสร้างสิ่งว่าล้อมที่เป็นลมมณีสําหรับ ก, การปฏิบัติธรรมสําหรับ ก, การที่ที่คนเราจะได้เข้าใจธรรมนะต้องมีสถานที่อย่างนี้เพื่อให้คนเนี่ยได้มาปฏิบัติอาศัยความสงบสน่งธรรมชาติเนี่ยเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นใจของตัวเองเห็นธรรมชาติแผนของตัวเอง เห็นความจริงกี่เรื่องทุกข์และความพ้นทุกข์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการสืบต่อคำสอนของพุทธเจ้าโดยเฉพาะในในขั้นการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์เนี่ยก็จำเป็นที่เราต้องรักษาสถานที่ที่เป็นสัพปพะยะริงอยู่การตัดสรู้เนี่ยนะหรือการเห็นธรรมเนี่ยมันทำได้ทุกที่พระอาหาระหนันต์เจโนยไม่นท่านก็ไม่ได้ตัดสรุ้ในป่า นะแต่ว่าถ้ามีสิ่งที่เป็นสะะัพเพ h y สถานที่เป็นรมณีมันก็จะช่วยเกื้อกูลให้เราเนี่ยได้เข้าใจธรรมะมากขึ้นอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์ก็เลือกตำบลอุบลเวลาชนะนครเนี่ยเพราะเห็นว่ามันเป็นสถานที่ที่รมณีเป็นร่มรื่นและท่านก็เรียกว่าได้เจริญความได้เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติจนทั้ง บรรลุพระสัมมาสัมพุทธิยานอันนี้ก็แสดงเห็นว่าสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติเป็นรมณีเนี่ยมีประโยชน์งั้นถ้าเราต้องการรักษาธรรมสืบทอดธรรมะอจารย์ให้การที่เราช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเอาไว้ให้สงบสงดัดให้เกื้อกูลเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ควรทำ ลมอ๋อลมคร<ม>ับก็ปิดก็ได้เ่ยผมหันมุมนิดนึงให้หลบมันอ่าประกวดพราาหนึ่งสองสามเขนได้ครับ ลมเข้าปิดปิดไหมปิดนะปิดเฮ้ยมันต้องมันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปแก้ออกได้ครับแก้แ ไ, ได้ไหมได้ต้องให้ลมเข้าจริงขับกระจายครั บ, าาร ค, รบความสุขเป็นประณี มันคืออะไรครับแล้วทําไงให้คนหนึ่งตระหนักรู้ความสุขอันประนีได้มากขึ้นครับตุกวงขนาดในชีวิตความสุขอันประนีคือความสุขที่ไม่ได้เกิดจากสิ่งเร้าสิ่งกระตุน้นความสุขที่คนรู้จักส่วนใหญ่เนี่ยเป็นความสุขที่ต้องอาศัยสิ่งเร้ามันเร้าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถึงจะมีความสุขนะเช่นกินอาหารที่อร่อยฟังเพลงที่ได้เพราะ อาจจะมีการกระแทกกระทนันหนังก็ต้องนะมีฉากบูรล้างผา่าญนะต้องมีไซเอฟเฟกต์ต้องมีไซเอฟเฟกต effect, นะ์ทั้งหมดนี้เพื่อกระตุ้นให้ให้เกิดความสนุกนะเกิดความสุขในะความสุ ข, ขงคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แม้แต่ความสุขรวมทั้งความสุขทางเซ็กซ์ด้วยทางเพศมันก็เป็นเรื่องการกระตุ้นเราหรือนะว่าเป็นความสุขที่เกิดจากการเร้าจิตกระตุ้นใจ บางคนมีความสุขกับการที่ได้ไประตนภัยขับรถซิ่งปีนเขาเล่นฟุตบอลดูบอลโอ้นี่มันรถแต่เป็นสิ่งเร่าที่กระตุ้นให้เกิดความตื่นเต้นนะแต่ว่าความสุขที่ประณีตเป็นความสุขที่เกิดจากจิตที่สงบอาจจะเริ่มต้นจากการที่มีสิ่งเร่าอยู่บ้างแต่น้อยไม่มากเช่นการที่ได้เห็นวิวชวทัศน์พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตก มันก็มีการเราจิตเหมือนกันแต่น้อยมากนะการที่คนมีความสุขจากการที่ได้ดูท้องฟ้าในยามค่ำคืนนะหรือว่ามีความสุขจากการที่ได้เห็นได้ยินลําธารไหลอยู่เบื้องหน้านะอันนี้ก็เป็นความสุขที่มันเริ่มประนีตขึ้นเพราะว่ามันอาศัยการเราจิตน้อยแต่มันทำให้จิตเนี่ยสงบความสุขประนีเนี่ยนะ เกิดจากจิตที่สงบและมันเป็นสุขที่ประเสริฐเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยพึ่งพาสิ่งแวดล้อมหรือว่าเสพติดกามาคุนน้อยลงสุขที่เกิดจากสิ่งเร้าทางตาหัวจดวงลิ้นกายนี่เราเรียกว่ากามาสุขเป็นสุขที่เกิดจากการเสพซึ่งต้องไปดินน้นรนหามา ต้องแข่งขันต้องแย่งชิงบางครั้งก็นำไปสู่การทำร้ายเบียดเบียนการลักขโมยการคอร์รัปชันนะความชั่วร้ายเนี่ยนะการผิดศีลทั้งหลายเนี่ยนะทษ า, าบางจีเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ผู้คนไปเสพติดความสุขที่มันอยากใช่ไหมต้องไปขโมยต้องไปฆ่าคนเพื่อรับเอาทรัพย์เข้ามา เพื่ออะไรเือไปซื้อสะสมทรัพย์สมบัตินะให้ความสุขที่เกิดจากสิ่งเราหรือว่าการมาสุขเนี่ยมันง่ายที่จะพาเราเนี่ยเข้าสู่ความทุกข์หรือว่าชีวิตที่ตกต่ําเพราะการทําชั่วผิดศีลนะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการความสุขที่ประณี่เนี่ยมันยิ่งจําเป็นที่เราต้องห่างไกล จากการทำชั่วเพราะถ้าเราทำชั่วแล้วเนี่ยจิตใจเราก็รุ่มร้อนใช่ไหมฮะหวาดกลัววิตกเราจะมีความสงบใจได้อย่างไรยิ่งต้องการความสุขที่เกิดจากความสงบยิ่งต้องมีศีลต้องเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะเราก็ต้องรู้จักควบคุมกาวิจารของเราเนี่ยไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่นรวมทั้งมันทำไความดีนะฉะนั้นพอพอเรา พอเราเนี่ยนะได้สัมผัสกับความสุขชนิดนี้เนี่ยมันก็ยิ่งส่งเสริมให้เราเนี่ยอยากจะทําความดีมากขึ้นนะแล้วการก็นําไปสู่การสุดจิตทําให้จิตเนี่ยสงบทําดีแต่ว่าบางครั้งจิตก็ฟุง้งนอะ่าเพราะฉะนั้นแหะเราก็ต้องฝึกจิตอ่านะการเจริญสติการนอาสมาธิเนี่ยนะมันช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าถึงความสุขที่ปันนี้และเป็นสุขที่ ไม่ต้องไปแย่งชิงกับใครไม่มีใครขโมยได้แล้วก็ไม่ส่งเสริมให้เราทําชั่วมันมีแต่จ ะ, ะกระตุ้นให้เรามันทําความดีนะเพราะฉ้าเราไม่ทำไม่ทำความดีเนี่ยการจะทําเจริญสติทำสมาธิมันก็ก้าวในได้ยะไอ้สู่ชนิดนี้เนี่ยมันเป็นสูตที่จิตใจโหยหานะแล้วก็นําไปสู่ชีวิตที่จเจริญเงอะงาน นำไปสู่การทำความดีรักษาศีลแต่สุพนรณเนี่ยมันมีหลายระดับนะในระดับหนึ่งต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมช่วยเช่นธรรมชาติที่สงบสงดัดงทำให้จิตพลอยสงบไม่มีเสียงอือทึกคึโครมนะผู้คนไม่ว้าวุ่นวุ่นวายไม่กระทึกเนี่ยจิตถึงจะสงบได้แต่ต่อไปถ้าเราฝึกจิตดีเนี่ยแม้เราอยู่ท่ามกลางผู้คนเสียงอึกึกจอแจไง ใ, ใจก็สงบเพราะมีสติ นะรู้ทันใจที่กิดเพื่มปล่อยวางเสียงที่มากระทบแดดที่ร้อนนะแดดมันร้อนร้อนแต่กายใจสงบนะนี่มันทำให้เราทให้เราเนี่ยสามารถจะเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมได้อยู่ที่ไหนก็มีความสุขทำงานก็มีความสุขอยู่บนรถอยู่ที่บ้านก็มีความสุขและจิตเราจะสงบมากขึ้นถ้าว่าไม่เพียงแต่ มีสติช่วยทำให้ใจสงัดจากกิเลสจับความฟุ้งซ่านแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถจะพัฒนาจิตัวเเกิดปัญญามันจะไม่ใช่แค่สงัดจากกิเลสนะจับความฟุ้งซ่านนะแต่ว่ามันทำให้กิเลสนะมันดับไปนะความอยากเพราะมีอวิชชาเพราะยังมีความหลงติดในตัวตน มันดับไปเนื่องจากมีปัญญาเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่จะยึดเป็นตัวตนได้เลยไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนที่จะยึดไม่มีอะไรที่เป็นสุขอย่างแท้จริงที่จะยึดที่จะหากิเลสมก็ไม่มีที่ตั้งนะความอยากที่จะหาเสียงตามมาเปินเปอรตัวกูกของกวมนก็มาไปถึงตนนั้นเนี่ยจิตมันก็สงบสงบเพราะไม่มีกิเลสนะตรงนี้ เรียกว่าเป็นเป็นสุขขั้นสูงสุดนะที่ผู้จ้าเนี่ยใช้ท่านบรรลุเนี่ยบรรลุนิพพานเนี่ยก็คือการที่พระองค์นี่ได้เข้าถึงความสุขชนิดนี้เป็นความสุขที่ไม่อีกอาศัยผัสสะเป็นความสุขที่ไม่เกิดจากการเสพสวยเวทนานะเป็นความสุขที่มันเป็นที่พระเจ้าตรัสว่าเป็นความสุขที่เหนือสุขและเหนือทุก อันเนี้ยเป็นยิ่งเป็นเป็นสิ่งที่ประณีตสูงสุดผู้เจ้า่างแต่ว่านิพพานเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งนะเป็นสวขอย่างยิ่งเพราะว่าจิตสงบอย่างแท้จริงสงบเพราะไม่มีกิเลสมากวนนะเพราะนั้นเนี่ยนี่คือจุดมุ่งหมายนะที่ชาวพุทธคนไปให้ถึง คับอาจารย์ครับก็สําหรับตัวผมเองเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยก็อยากพอพอพอเริ่มรู้เรื่องอะไรแบบนี้ก็เห็นว่าเออสังคมมันแย่ามากรุ่นนี่แบบไม่รู้จะทำอะไรแต่รู้ว่าเนี่ยอยากให้โลกมันดีขึ้นอยากให้แบบเปลี่ยนปลสังคมมันดีขึ้นแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงกว่าจะค้นหาผลทางแล้วมันก็ใช้เวลานานมากครับหลวงท่าไม่ ส, ส, ส, ส, ส, สิบสิบสิบสิบปีจนไปเจอธรรมะมันก็แม้ด้านผิวๆนิดหน่อยครับมันก็ทําให้ทุกอย่างก็ ชัดเจนมากขึ้นขนทานก็ชัดเจนมากขึ้นถึงแม้ยังเป็นเปิดๆอยู่นะครับทางอาจารย์เองไงตั้งแต่เป็นนักศึกษาเดินทางก้าด้าทําเรื่องอหิงสาอะไรมาจนมาถึงตอนเนี้ยครับเป็นอาจารย์ภทยาศาสตรสาโลเนี่ยครับว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไงบ้า ง, งการเดินทางจากที่มาอยู่ไดนะ้สายธรรม้วครับเรื่องนี้จะพูดระยาวนะเอาเป็นว่ามันเริ่มต้นจากการที่ อยากจะทําอะไรเพื่อส่วนรวมนะตอนเป็นนักเรียนมัธยมเนี่ยเห็นปัญหาของสังคมเห็นปัญหาของบ้านเมืองเป็นปรพฤติ ก, การเพราะตอนนั้นอยู่ในสมัยจอมพลถนอมจอมพลปภาเพราะความรักชาตินะก็อยากจะให้บ้านเมืองเราดีขึ้นยิ่งมารู้ว่าบ้านเมืองตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจถูกครอบงำโดยญี่ปุ่นนะก็รู้สึกว่าโอ้เกิดความ พริวิตตกขึ้นมาแล้วก็เกิดความตำหนักว่าโอบ้านเมืองเราเนี่ยมันมันยังแย่อยู่นะมันเป็นความตื่นแต่เรียกว่าตาสว่างก็แค่พรฒนาการเป็นเด็กที่เรียนหนังสืออย่างเดียวพอตาสว่างว่าโอบ้านเมืองมันมีความทุกข์มากเนี่ยความรักชาติที่เราถูกที่สะสมมาสมัยวัยเด็กเนี่ยมันก็ทําให้เราอยากจะทําอะไรเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติยิ่งมารู้ต่อไปว่ามีคนยากจนเยอะ เลพ่อภายุสารทำให้เราก็ใหญ่ไปทําอะไรเพื่อช่วยเหลือเขาบ้างไปออกค่าศึก่เป็นนักเรียนแล้วก็แคร์เด็กันมันก็เริ่มมีจิตสํำนึกทางการเมืองก็อยากจะให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยนะดีการประทฐวงของนักศึกษาในสิ่งที่เขาเห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องเกิดขึ้นก็ไปร่วมเขานะจนถ้นเกิดสิบสี่ตุลา แต่หลังก็คิด่าบ้านเมืองมันยังมีปัญหาอีกนะไม่ใช่บ้านเมืองมีประชาธิปไตยแล้วเนี่ยปัญหาจะจบมันก็ยังมีการจดขี่ขูร่รีของนายทุนของต่างชาติแล้วก็สนใจนะที่จะหาทางทําให้บ้านเมืองมันปลอดพ้นจากปัญหาเหล่านี้แต่ว่าในในในระหว่างนั้นเองเนี่ยการที่ได้มาพบพุทธศาสนาเราก็ได้รู้ว่าตระหนักว่า การจะทำเรื่องสังคมเนี่ยนะมันต้องทาให้มันต้องแน่ใจว่าใจเราเนี่ยนะมีกีเลสน้อยมีความเห็นกั่ตัวน้อยมีความเสรสระมากแล้วก็ไม่หวันไว้กับพวกราบสักการะเพราะถ้าเราหวันไว้ต่อราบสักการะชื่อเสียงกิจยศเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเคลอออกจากเส้นทางได้ง่าย มันก็นาไปสู่การเห็นความจะเป็นการขัดเกลาตัวเองให้อยู่ง่ายกินง่ายให้มีความโลภน้อยลงแล้วก็นําไปสู่การทําสมาธิภาวนาเห็นความสําคัญของการเจริญสตินะตนหนักว่าจะทําประโยชน์เพื่อส่วนรูปไม่เพีย่ยพอต้องทําประโยชน์ตนด้วยและมันไปคู่กันได้ คำสอนอาจารวุิท่าที่บอกาการทํา ง, งานคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยเออมันก็มันก็ทําให้เราเห็นว่าเราทําเพื่อสังคมไปด้วยถ้าเราวางใจให้ดีแล้วก็เป็นการขัดเกลาพัฒนาตนไปด้วยอันนี้ก็นําไปสู่เส้นทางแห่งการฝึกฝนพัฒนาตนพัฒนาชีวิตด้านไหนนะแล้ววันดีคืนดีนะเมื่อมีโอกาสที่บวชที่ได้บวชเราก็บวชที่จริงถ้าจะชีวิตมันราบเรื่องก็คงจะไม่คงจะ อีกนาคอยได้บวชแต่เคยมีความทุกข์มีความทุกข์ใจจากการที่ทำงานเพื่อสังคมมาเยอะก็คิดว่าต้องปลีตัวมาทำอะไรให้กับจิตใจตัวเองบ้างอันนี้ก็เริ่มเข้าสู่เส้นทางแห่งชีวิตนัก บ, บวชแล้วก็ก็ได้พบมากขึ้นเลยเลยๆว่าการทำประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านมันไม่ได้แยกกักกันผู้เจ้าตอบว่าเนี่ย เมื่อรักษาตนก็เท่ากับว่ารักษาผู้อื่นเมื่อรักษาผู้อื่นก็เท่ากับว่ารักษาตนมาไม่ได้แยกจากกันนะก็เลยนะใช้ช่วยนักบวชเนี่ยในการทําประโยชน์ตนด้วยแล้วก็บาเพ็ญประโยชน์ท่านด้วยเพราซึ่งก็พบว่ามันก็ช่วยทําให้ในแง่หนึ่งการที่ไปทํำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อประโยชน์สังคมก็ช่วยขัดเกลากิเลสขัดเ ก, ากเลเกา อ, อัตตาตัวตนเนะจอ ความวิาพาวิจารณ์เจอสิ่งมากระทบกระทั่งทำไงใจเราไม่ทุกข์นะทาดีคนเขาไม่เห็นความดีของเราเราก็ไม่หวั่นไหวนะจะได้รับสักกระหรือไม่เราก็ไม่ทุกขนะ์ก็รู้สึกว่าเออมันดีขึ้นก็เรียนรู้จากการทำงานบางทีจเจอความล้มเหลวเราก็ไม่ทุกข์นะเพราะว่าเราเรียนรู้ว่าไม่ควรยึดบังถือมั่ น, นว่างานของเรา งานของกูงานของกูไม่ใช่ใการฝึกปล่อยวางเรื่องความปล่อยวางไม่ยึดในตัวกูของกูเนี่ยเราก็เลยรู้จักความล้มเหลวเวลาทำงานงานล้มเหลวแต่ใจเราปกติอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมถ้าใครในการเมื่อใจเราเนี่ยนะมีสติมากขึ้นมีความรู้สึกตัวมากขึ้นมีความเป็นกระตัวนไม่วมวมรวมการที่เราทำอะไรเพื่อส่วนรวมก็ มันก็เกิดผลดีมากขึ้นหรือว่าเกิดประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้นไม่ใช่ทําไปด้วยความมีกระตัวเพื่อให้งานนั้นเนี่ยมันมาสนองกิเลสสนองผลประโยชน์ส่วนตัวซึ่งมันก็ผิดวัตถุประสงค์เพราะนี่เรื่องประโยชน์ตัวกับประโยชน์ท่านเนี่ยมันเกือ้อกูลกันการพัฒนาชีวิตด้านไหนก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมการเลี่ยนการทํางานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมก็ส่งผลต่อการถักเกา่จาจิตาจภายใน ทีนี้ถ้าอาจารย์ไม่ได้ท้าบวชอยู่ที่วัดทอนทุกคุณอย่างเดียวไม่ได้ออกมาอยู่ที่ป่าเนี่ยครับมันจะมีจะมันจะได้มันจะใจช่วยจะเป็นอาจารย์ทุกวันนี้ไหมครับหรือว่ามันมันด้วยบรรยากาศในแวดล้อมด้วยทุอาจารย์ที่ได้รับมาทุกอย่างเลยรวไปก็เป็นความตั้งใจอยู่แล้วว่าเราต้องการบิดเพื่อปฏิบัติวัดทอนทุกคุณเนี่เป็นวัดที่เน้นหนักด้านปริยัพนะ เป็นความตั้งใจ ต, ตั้งแต่แรกว่าต้องการมาปฏิบัติเรื่องปริยัติเนี่ยก็ตรอตัวเองแล้วไม่ต้องบวชก็ได้ศึกษาเองที่จริงเรื่องการปฏิบัติก็ทำเองได้ไม่ต้องบวชแต่ว่าคิดว่าบวชแล้วเนี่ยมันมีโอกาสดีกว่าเพราะว่าผ้าเหลืองรวมทั้งวินัยสงฆ์เนี่ยมันก็ช่วยช่วยตลอมให้เราใช้พลังงานไปกับการภาวนา มากกว่าใช้พลังงานไปกับการสนองกิเลสส่วนตัวนะก็เลยนะมาอยู่ป่ามาศึกษาธรรมกับหลวงพ่อขมเขียนอันนี้ก็ได้เรียนรู้ทั้งจากคําสอนท่านแล้วก็จากการปฏิบัติของท่านด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องการมาอยู่ที่นี่เนี่ยมันเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกนะตนะอนแรกก็ปฏิบัติอย่างเคลื่อนไหวใช่ไหมครับที่หนครับหลวงพ่อขมเขียน มันมีความสํำคัญ น, นะครั บ, รบที่บอกว่าถึงนผู้ตลอดวันนี้การปฏิบัติให้เป็นธรรมชาติอยู่กับธรรมชาตินะครับมันสำคัญกันหมดใช่ไหมครับไม่รู้ว่าตอนเด็กผมก็เคยไปวัดสนามนายครับโดนกลับไปครั้งหนึ่งก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ใ ห, ให้ขยับขยับไปผมก็นี่คืออะไรไม่ไม่เข้าใจแล้วก็อยู่ได้แป๊บหนึ่งก็ออกมาครับมาครั้งนี้ก็รู้สึกนิ่งขึ้นแล้วรู้สึกเออมันมัน มันมันสงบนะมันก็แต่ก็ยังต้องขัดๆไปครับที่ว่าไม่รู้ว่ามันทุ่นทําให้เป็นธรรมชาติหรือเปล่าก็ทำด้วย<า>ใจที่ผ่อนคลายนะเพราะว่าให้เข้าใจว่าการยกมือมันเป็นรูปแบบมันเป็นอุบายคุณจะไม่ยกมือคุณจะกระดิกนิ้วคุณจะคลึงนิ้วก็ได้ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นอุบายในการฝึกให้มีสติให้ใจกลับมาอยู่กันทั้งตัว นะเป็นการทา ง, งานที่จิตทำเพื่อจิตเนี่ยจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยใจยมันก็จะลอยไปนู้นลอยไปนี่ตลอดเวลาการที่เรายกมือสร้างจังหวะหรือว่าการคลึงนิ้วนะมันก็เหมือนกับเป็นการสะกิดเวลาใจมันลอยก็สะกิดให้มันกลับมานะแล้วก็โดยการก็เป็นการบ้านให้จิตเนี่ยได้ มาอยู่กับเนื้อกับตัวนะถ้าใจเผลอเมื่มอไหร่ไม่รู้สึกว่ามือกำลังยกก็แสดงว่ามันไม่รู้สึกตัวแล้วมันลืมสติแล้วก็ต้องกลับมานะมันเป็นเพียงแค่แบบฝึกหัดนะเพื่อทำให้จิตเนี่ยมีสติมีความรู้สึกตัวมันมันอธิกรณ์ ไม่ได้อ่านนะครับจะมีเรื่องสอบถามนิดนึงที่แล้วครับพิรดาเข า, าโทรมาหาผมบอกว่าเนี่ยที่วัดทองเขาปรุโลกนะใบาลานอยู่แล้วก็บอกว่าอยากให้ผมไปมีใครมาปรุโลนะไม่ทราบเลยผมไปถ่ายแล้วก็เานาอาจารย์สุรักษ์ไปด้วยแล้วก็ให้พูดเรื่องเกี่ยวกับทางวัดนะครับหรือว่าอาจารย์พอรู้เรื่องครับัติพวกนี้ไหมครับไม่ทราบใบลานมีเยอะไม่รู้ใช่ครับเขาบอกก็เดี๋ยววันอังคารนะครับไปถ่ายแล้วก็ให้ให้ให ไม่ทราบเล ย, จ บ, เลยจบแล้วใช่ไหมจบแล้วครับ <laughs>